BOOK 2 73 7ซชตรได้รับอนุญาตได้ค galėti t u r ุ t i ต e i d เ m ą s ab, at, rot, u t i ก i ม ą คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ อาร์ต้าวยูกาลมาบรวดโตทโมบิลีคุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอ l ์ได้แล้วหรืออาร์ต้าวยู a าลมาแก่ต์แอลกอฮอลีคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรืออาร์ต้าวยูกาลมาเวียดนามวัจุติอิอูซีอนุญาตได้ Galėti, ทุ r ร t เล e ม d สุ ą s u t เก i m ą วมาเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะอ a ร์เมชชะกาลเมรุคีเตตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะอาร์ชะกาลเมรุคีเตจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะอาร์กาลเมสุม i คีติเครดิตนเตล จ่ายเช็คได้ไหมคะ a r g a l i m a s m o k i ticekes จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ a r g a l i m a s m o k t i tigrinices k a s ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ a r g a l i u p a s k a m b i n t i ขอถามอะไรได้ไหมคะ a r g a l i u k u p a k l a u s t i ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Argelucica Pasquita เาะะขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Yam Nagal Mamiagute p a r k เขานอนในรถไม่ได้ Yam Nagal Mamiagute Automobile เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ ยา e นัก i าร์มมีกอตเกลเจนเกลอสต์ติยะเราขอนั่งได้ไหมคะอร์กา a ์มซีสต์เราขอลายการอาหารได้ไหมคะอร a ก g a ์มกาวต์วลเกอร์ r a ีเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะอ Ar g a l i ม a at smokyti atskirai?